สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหกรคนชอบเล่าวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆนํามาฝากให้ทุกท่านได้ฟังกันดูนะครับข้อคิดนี้เริ่มต้นด้วยข้อคิดที่เกี่ยวกับเพื่อนแปดประเภทสําหรับชีวิตและสามสิบทบทเรียนแห่งความบางังคั่งลองฟังและเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีความสุขมากขึ้นคนที่ไม่มีเพื่อนนั้นมีแนวโน้มที่จะตายเร็วกว่าชาวบ้านเขา ไม่เชื่อก็ลองไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูนะครับถ้าอยากมีชีวิตดีๆไม่ใช่ว่าจะต้องมีเพื่อนเป็นกองเป็นต้นแต่ถ้าไม่อยากไปหาหม อ, อก่อนไว้อันควรก็จะมีเพื่อนไว้สัก8ประเภทครับประเภทที่หนึ่งเพื่อนที่รักจริงจริงใจช่วยให้ชีวิตมั่นคงคนที่ไม่ว่าเราจะทำผิดทำยุ่งยังไงคนที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับตัวเราด้านมืดของเราแต่ก็ยังคงรักเราไม่เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อนที่ใจถึงกล้าประจนภัยเราอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลมีหลายอย่างที่ให้เรียนรู้แต่บางครั้งเราก็ติดอยู่กับโลกแคบๆของเราทำงานไปวันๆลืมที่จะใช้ชีวิตเพื่อนแบบนี้จะช่วยดึงเราออกจากหลุมเปิดโลกให้ความคิดใหม่ปัชญาในการใช้ชีวิตใหม่ๆพาเพื่อนไปสู่วัฒนธรรมและกิจกรรมใหม่ๆ 3. เพื่อนมั่นร้ายแต่จริงใจ ในชีวิตคนเราย่อมมีช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะรับฟังความจริงถึงแม้ว่ามันจะโหดจะต้องเจอกับช่วงเวลาขรุขระของชีวิตก็ตามหลายคนอาจบอกเราว่าเอาละมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วแต่เพื่อนมั่นจะกล้าลุกขึ้นมาและบอกว่าพอเหอะพอเหอะอย่าน้ำเน่าหยุดคิดอะไรที่มันไม่จริงเธอทาได้ดีกว่านั้นเพื่อนแบบนี้หายากส่วนใหญ่มีแต่เวกัน 4. เพื่อนผู้นาทาง ถ้าเรามีเพื่อนที่สมาร์ทเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนที่น่าชื่นชมในชีวิตนี้ถือว่าโชคดีมากทุกคนต้องการเพื่อนที่อยู่ด้วยกันและมีการพัฒนามากขึ้นทุกวันเพราะคนแบบนี้จะก้าวล้ำหน้าเราไปได้หลายก้าวซึ่งอาจไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในอาชีพเดียวกันเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็ได้ตราบใดที่เรายังมองดูอยู่และอยากจะเป็นเหมือนให้ได้สักวัน 5. เพื่อนต่างวัฒนธรรมเพื่อนแบบนี้จะทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นมาทันทีเพราะเราสามารถเรียนรู้ได้มากจากค่านิยมวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างกันคาดว่าเราจะคงได้ทำอะไรต่างๆและใหม่กว่าเดิมเป็นแน่แค่เปิดใจให้กว้างขึ้นเข้าไว้ 6. เพื่อนต่างขั้วมันจำเป็นนะพวกที่มีความเห็นต่างเนี่ยเพราะถ้าอยู่กับคนที่อะไรๆก็เหมือนกันในหมดโอกาสที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์โซนนั้นแทบไม่มีเลย พวกนี้จะช่วยเปิดหูเปิดตาและที่สำคัญช่วยให้เราได้มีความใจกว้างมากขึ้นสามารถยอมรับคนที่เห็นต่างจากเราได้พวกนี้คือแบบฝึกหัด 7. เพื่อนบ้านใจดีทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้สังคกรรมกับคนข้างบ้านเลยหรือที่แย่คือไม่รู้จักกันอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านที่ดีนั้นเป็นตัวช่วยที่ดีของชีวิตเช่นถ้าไปไหนหลายวันแต่นึกได้ว่าลืมล็อกประตูบ้าน เราก็จะขอความช่วยเหลือกันได้แต่ต้องแน่ใจนะว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่ไว้ใจได้จริงๆนะ 8. คู่หูคู่งานในเมื่อเราใช้เวลาอย่างน้อย 50% อยู่กับงานใช้เวลามากกว่าอยู่กับบ้านซิอีกถ้าทำงานแบบไร้คู่หูคงโดดเดี่ยวน่าดูมีแนวโน้มเหี่ยวเฉาแน่นอนมันต้องมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคู่หูกันไว้ซึ่งเป็นเพื่อนแบบนี้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเพื่อนนอกเวลางานก็ได้แค่คลิก การเรื่องงานก็แฮปปี้แล้วการมีเพื่อนที่รักจริงเพื่อนใจถึงเพื่อนมั่นเพื่อนผู้นำทางเพื่อนต่างวัฒนธรรมเพื่อนต่างขั้วเพื่อนบ้านใจดีเพื่อนคู่หูในงานแค่นี้ชีวิตก็ยืนยาวขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นแล้วจริงๆนะครับและทีนี้มาถึง30บบทเรียนแห่งความมั่งคั่งจากหนังสือ Secret of the Millionaire Mind ถอดรหัสลับ Secret of the Millionaire Mind ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน 1. ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคุณก็ต้องยอมเต็มใจยอมปล่อยวางวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนำวิธีคิดแบบใหม่เข้ามาสู่ชีวิตและคุณจะประจักษ์ถึงผลที่ตามมาในที่สุด 2. โลกภายนอกของคุณเป็นเพียงเสีงสะท้อนของโลกภายในเท่านั้นถ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกตัวคุณไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเป็นเพราะสิ่งต่างๆภายในตัวคุณ ก็ไม่ได้เป็นไปได้ดีดเช่นกัน3ความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทาการกระทํานำไปสู่ผลลัพธ์ 4. เงินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินและในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีความสำคัญแม้แต่นิดเดียวสำหรับทุกเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงิน5เมื่อคุณเริ่มบนคุณกาลังกลายร่างเป็นแม่เล็กดึงดูดความเดร็จร้ที่มีชีวิต 6. จำไม่ว่าคุณเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตทางการเงินของตัวคุณเองว่าจะบังคั่งถังแตกหรือมีฐานะในระดับใดก็ตาม 7. เหตุผลอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร 8. ถ้าคุณไม่มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มตัวและสุดหัวใจแล้วลราก็คุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ 9. การคิดเล็กและการกระทำแต่เรื่องเล็กๆจะนำไปสู่การสิ้นเนื้อบรดาตัวและความไม่พอใจในตนเองส่วนการคิดใหญ่และการกระทำใหญ่จะนำไปสู่การมีพร้อมทั้งเงินและความหมายในชีวิตคุณเลือกเอาได้ตามใจ 10. ไม่มีทางที่โชคหรือสิ่งอื่นใดที่มีค่าจะมาถึงตัวคุณได้เลยถ้าหากคุณไม่ลงมือกระทำการใดๆเพื่อเตรียมตัวรับโชคหรือสิ่งนั้นๆ 11. ดคนดวยให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ส่วนคนจนให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ 12. คนรวยมองเห็นโอกาสจักกระโจนใส่มันและร่ำรวยยิ่งขึ้นและคนจนละ่ะมัวทำอะไรอยู่พวกเขาก็ยังเตรียมตัวอยู่นะสิ 13. คนรวยมักเป็นผู้นํานักโปรโมทที่ยอดเยี่ยมการเป็นผู้นําที่ย่อมมีผู้ตามและสนับสนุนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องช่าชองด้านการขาย การสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจให้ผู้คนเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณ 14. ถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างสิ่งที่คุณมีสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริงหน้าที่ของคุณคือการบอกให้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รับรู้และวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะนาให้คุณช่วยเหลือคนอื่นได้มากเท่านั้นแต่คุณยังจะร่ํารวยอีกด้วย 15. เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ ไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยมปัดหรือหันหลังให้กับปัญหาสิ่งที่คุณจะต้องทำคือการพัฒนาตนเองให้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกปัญหาใดๆ 16. ถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็จะไร้ค่าไม่ไว่าอย่างไงคุณก็จะต้องดาเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นเอง17จคนจนแลกเวลากับเงินกลยุทธ์นี้มีปัญหา เพราะเวลาของคุณมีอยู่อย่างจำกัดนั่นหมายความว่าคุณกำลังแหกกฎแห่งความมั่งคั่งที่สำคัญที่สุดซึ่งระบุว่าอย่าให้มีเพดานจำกัดรายได้ของคุณ 18. มาตรวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูลค่าของทรัพย์สินไม่ใช่รายได้จากการทำงาน 19. ถ้าคุณไม่ควบคุมเงินของคุณมันก็จะควบคุมคุณการควบคุมเงินของคุณคุณจะต้องรู้จักบริหารเงิน 20. อิสรภาพทางการเงินคือความสามารถที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องทำงานหรือพึ่งพาคนอื่นในเรื่องเงิน21คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อรายได้งอกเงยรายได้จากทรัพย์สินหรือธุรกิจที่ทำงานแทนคุณและสร้างรายได้ด้วยตัวของมันเองทำให้รายได้ของคุณมีจำนวนมากกว่ารายจ่าย 22. คนจนทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้พวกเขาจึงต้องทำงานหนักตลอดไป ส่วนคน้วยทำงานหนักสะสมเงินและนำไปลงทุนพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องทางานหนักอีก 23. ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ที่สุดของคนส่วนใหญ่คือการรอให้ความกลัวลดน้อยลงหรือจางหายไปก่อนที่จะเริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไปสู่ความมัง่งคั่งและคนเหล่านี้ก็มักจะลงเอยด้วยการนั่งรอตลอดไป 24. คนรวยและผู้ที่ประสบความสำเร็จก็มีความกลัว ความไม่แน่ใจและความกังวลเช่นเดียวกันเพียงแต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาหยุดยั้งเป้าหมายของตนเองได้ 25. ความสุขไม่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างสบายๆไปวันๆพร้อมๆกับนึกสงสัยตลอดเวลาว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างแต่ความสุขเกิดจากการเติบโตตามอัตราการเติบโตที่ควรจะเป็นและการใช้ชีวิตด้วยศักยภาพอัรสูงสุดของตัวเรา26 การฝึกฝนและการบริหารความคิดของคุณเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะมีไว้ครอบครองเพื่อให้บรรลุความสุขและความสำเร็จได้27น้อยคนนักจะรู้ว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ก็คือการพัฒนาตัวคุณเองเพื่อให้คุณเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ 28. คนจนและชนชั้นกลางส่วนใหญ่จะเชื่อว่า ถ้าฉันมีมากๆฉันก็จะสามารถทาในสิ่งที่ฉันต้องการได้และเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนคนรวยเข้าใจว่าถ้าฉันกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันจะสามารถทำในสิ่งที่ฉันจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้มีสิ่งที่ฉันต้องการรวมไปถึงจำนวนเงินมากๆด้วยใช้หลักการว่าเป็นก่อนแล้วทำแล้วก็จะมีผลลัพธ์29่คนรวยคือผู้เชี่ยวชาญในงานที่ัวเองทา ชนชั้นกลางคือพวกที่ทํางานของตัวเองได้ดีในระดับปานกลางและคนจนคือพวกที่ทํางานของตนเองไม่ได้เรื่องเลย 30. การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวร น, นั้นมันต้องเกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งเครือข่ายในสมองของคุณจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องนํามันไปปฏิบัติอย่างจริงอย่าเพียงแต่อา่านอย่าเพียงแต่พูดถึงมันและอย่าเอาแต่คิดจงลงมือทําจริงๆ ยังไงถ้าได้ฟังแล้วอะไรนำไปปรับเปลี่ยนใช้กับชีวิตให้มีประโยชน์ขึ้นมาได้ก็นำไปใช้กันลองดูนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ